นัตถิกรร ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านภผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมาขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่สุขนี่ท่านมีนามเดิมว่าสุข นำสกุลเกสเวตต่อมาลูกหลานได้ใช้เกสเวชสุริยาก็มีท่านเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ี่ขึ้น8ขดค่ำปีวอกพุทธศักราช 2,390 ที่บ้านมะขามเท่าบ้านมะขามเท่าก็คือตำบลที่เรียกกันในสมัยนั้นปัจจุบันเขาเรียกบ้านปากคลองอยู่อำเภอวัดสิงห์ยังไงใชยนาท โยมพ่อชื่อนายนุม่มโยมแม่ชื่อนางทองดีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลมะขามเฒ่ามีบุตรและทีดาวได้กันเก้าคนหลวงปู่สุขนั้นท่านเป็นคนหัวปีปัจจุบันยังมีลูกหลานของท่านที่อยู่บ้านใต้วัดมะขามเฒ่าอีกหลายคนหรือแม้แต่ร้านค้าขายภายในบริเวณวัดเองก็ยังมีหลวงปู่สุขมีลุงคนหนึ่งชื่อแฝง ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครในสมัยนั้นมีอาชีพทำสวนไม่มีลูกก็มาขอหลานจากโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่สุขไปเลี้ยงโยมท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาลุงแฟงก็เลือกเอาคนโตที่เรียกว่าคนหัวปีก็คือหลวงปู่สุขนี่แหละเข้าใจว่าเวลานั้น อ, อายุท่านประมาณสิบขวบ เมื่อหลวงปู่สุขไปอยู่กับลุงแฟงก็เจริญเติบโตที่ตำบลบางเขนเมื่อหลวงปู่อยู่ในวัยชะกันท่านได้เดินทางเข้ามายัางกรุงเทพทำมาหากินค้าขายเล็กๆน้อยๆโดยยึดลาคลองบางเขนซึ่งมีปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้จังหวัด น, นนทบุรีลงมาปัจจุบันก็อยู่ทางเข้าวัดทางหลวงเป็นที่ทำมาหากินคลองบางเขนนี่ทอดึ้นไปเชื่อมกับคลองรังสิต เมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญแล้วก็กว้างขวางเป็นอย่างมากเมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้นการสัญจรทางน้ำก็หมดความสำคัญลงปัจจุบันก็คงจะตื้นเขินไปแล้วก็ได้เพราะว่าขาดการธนุบำรุงเท่าที่ควรหลวงปู่ท่านท ร, รมาหากินอยู่ในครองบังเขนอยู่ระยะหนึ่งจนอายุได้18ปีก็ได้ภรรยาชื่อนางสมบูรณ แล้วก็เกิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อสอนเกสเวสสุริยาหลวงปู่ท่านครองเพศคารวะาอยู่ไม่นานพออายุท่านครบยี่สิบสองปีท่านได้ลาไปอุปสมบทที่วัดภูบังเขนหรือปัจจุบันชื่อว่าวัดโพทองล่างซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดภูทองบนนะอยู่ตอนเหนือของปากคลองบางเขนตอนบนบริเวณจังหวัดปธุมธานี การอุปสมบทของหลวงปู่สุขนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุได้22ปีที่วัดภูบังเขนซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดภูทองล่างเนี่ยโดยมีพระครูเฉยจันทเทศริวัดภูบังเขนเป็นอุปชาการอุปสมบทนี้มีลุงแฟงเป็นผู้อุปการะทั้งสิน้นส่วนโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเพราะว่าการเดินทางสมัยนั้นลาบากมาก จากชายน้าถึงกรุงเทพก็กินเวลาอย่างน้อย 2- ถึงสวันถึงจะถึงพระอุปชาของท่านชื่อหลวงพ่อเชยจันเทศริอดีตท่านเจ้าวาดวัดโพทองล่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติและก็พระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อเชยท่านยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาทุระมีความรู้และความชํานาญรู้แจ้งแทงตลอดอีกทั้งทา ง, ทงด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่ท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากอุปชาของท่านมาพร้อมกับอาจารย์เปิงวัดชินนวณารามแล้วก็หลวงปู่เท่าวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันเมื่อได้อุปสมบทแล้วก็อยู่กับพระอุปชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมเมาบินัยพอสมควรแล้วท่านก็ได้ออกเดินทุดงหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วิชาอาคมต่างๆ จากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นจนชำนานดีแล้วจึงกราบลาอาจารย์กลับบ้านเกิดของท่านโดยมาพักอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านของท่านชื่อวัดอู่ทองปัจจุบันนี้เขาเรียกวัดปากคลองชาวบ้านแถวนั้นก็มีความศรัทธาเลื่อมใสก็เลยนิมนต์ให้ท่านจำมรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อที่ว่าจะได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ดังนั้นท่านก็เลยอยู่ณที่นั้นมาจนท่านมรณาภาพ ในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นได้เริ่มพัฒนาในท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองจากวัดร้างที่ไม่มีอะไรเลยจนถึงพุทธาวาดธรรมาวาดและสังขาวาดัดเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้ยังมีพระอุโบสถและมณฑปปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนการอบรมสั่งสอนนั้นท่านได้แนะแนวการประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบให้เห็นคุณและโทษของผลการปฏิบัติตนในทางที่ดีหรือไม่ดีเป็นอย่างไร จนประชาชนแถวนั้นมีความประพฤติดีมีศีลธรรมกันเป็นจำนวนมากหลวงปู่ท่านเพลิอนอยู่ในธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมารดาท่านที่วัดปากคลองมาขามเท่าอำเภอวสิง์จังหวัดชัยนาทได้ชาราภาพลงตามอายุไขและความเจ็บไข้ามาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยในบิดามารดาของท่านก็เดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาเดิมแล้วก็ได้อยู่จำมรรษาปีแรกๆที่วัดอู่ทองปากคลองมาขามเท่า ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบันแต่ทว่าสภาพของวัดอู่ทองขนาดนั้นได้เกิดการชำรุดสุดโทมลงตามสภาพเกินพะที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีได้ต่อไปท่านก็ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกหนึ่งหลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพรางก่อน สืบต่อมามารดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้จัดการชาปน ก, กิจ ศ, ศพแลว้วก็ในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัสมีออกแจกเป็นที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านปรากฏว่าได้ไปแล้วก็ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเรื่องกันเคี่ยวกันงา คือสุนัข ก, กัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะว่าบ้านนอกอย่างชนบทในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดได้เป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นการที่จะแวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดจะต้องระวังเรื่องสุนัขรอบกัดให้ดีมิฉะนั้นท่านจะถูกสุนัข ก, กัดเอาง่ายๆพระของหลวงปู่จึงมีชื่อเรื่องสุนัข ก, กัดไม่เข้าเป็นปฐมมาเหตุก่อน จึงบังเกิดความนิยมทั่วไปไปขอท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อกันเคี้ยงงานและพยันตรายต่างๆสมัยก่อนนี้พระวัดปากคลองในเนื้อตะกัวจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบอย่างทุกคนแล้วถ้าจะไปขอพรหลวงปู่สุขท่านจะมักจะถามว่าเอ็งมีลูกกี่คนนะท่านจะให้ครบทุกคนกิติศัพท์ในความขลังประสิทธิภาพของพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านค่อยๆ เผยแร่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านก็ค่อยๆโด่งดังขจรกระจายไปทั่วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งวัดปากคลองมาขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจนการทํามาค้าขายจะขึ้นจะล่องก็ต้องอาศัยสายน้าเจ้าพระยาแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางทางบกยังธุระกันดาน พอตกถึงเวลาพรบค่าพ่อค้าแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแรมที่แพรหน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบา ร, รมีของท่านช่วยป้องกันขโมยขโจรที่จะมาประทุสร้ายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะเปรียบไปแล้วหน้าวัดของท่านจึงเปรียบเสมือนเป็นชุมทางที่สําคัญอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกียรติคุณของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่า หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าทีนี้มาถึงเรื่องที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรผากตัวเป็นสิทธิ์ครับอันหนึ่งมีผู้กล่าวว่าท่านมีวิชาอาคมเวทมนต์เก่งมากสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเกศหัวปลีให้เป็นกระต่ายเกศก้านกล้วยให้เป็นงูได้ และเรื่องอภินิหารของขลังอยู่ยงคงกระพันมีอีกมากมายอาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปูุ่ขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนับลำดับราชสกุลวงเป็นพระองค์ที่28แล้วก็เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมารดาโมดธิดาพระยาสุรวงวัยวัด ดวอนบุญนาคได้สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนโดนบันดานให้เสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมสายในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปในภาคเหนือจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่านได้พบกันและเป็นที่ต้องอัธยาสาัยซึ่งกันและกันจึงได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์อาจารย์เพื่อจะได้ศึกษาทางมหาพุทธาคมและปรากฏว่าพระองค์เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถได้ศึกษาแตกฉาน จนกระทั่งหลวงพ่อเองก็หมดความรู้จึงได้ให้เสด็จในกรมไปศึกษาเคล็ดวิชากับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรต่อดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นแล้วก็ได้วาดภาพพุทธประวัติด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองที่อุโบสถ ด, ด้านในหน้าอุโบสถซึ่งปรากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้หลวงปู่สุขท่านมีเมตตา ม, มากจึงมีสิทธิ์เป็นอันมากที่มาเรียนวิชาเหล่านี้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากร แล้วก็เป็นเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะแขวงนี่ปัจจุบันเขาเรียกเจ้าคณะอำเภออันนี้เป็นองค์แรกของอำเภอวัดสิง์แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อไรเมื่อหลวงปูุ่ขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมจึงเป็นกำลังสำคัญให้ท่านสามารถที่จะสร้างวัดป่าคลองมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ถาวนวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่คงเหลือเป็นประจักษ์พยานในปัจจุบันนี้ก็คือ ภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมบนผาผนังพระอุโบสถที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นภาพเขียนสีน้ําที่ทางกรมสินยกย่องว่าเสด็จในกรมทรงมีฝีมือในการเขียนภาพเป็นอย่างมากและได้ทรงสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพระพุทธเจ้าชนะมารในกระแสน้ําที่เป็นแม่พระธรณีบีบมวยผมทําให้เกิดอุทกทาราหลากไหลพัดพาเอาทัพพญามารไปนั้น พระองค์ท่านเขียนเป็นภาพลิงใส่นาฬิกาและหนีบขวดวิสกี้กำลังเดินตูปัดตุเป๋โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งฤษีปัญจวัคคีเมื่อเห็นเจ้าชายสิทธัตถะเลิกทรมานการหันมากินอาหารก็นึกว่าพระองค์คงจะท้อถอยความเพียรแล้วจึงพากันพละหนีพระองค์ไปนั่นเสด็จในกรมท่านเขียนใบหน้าของฤษีปัญจวัคคีโดยสอดอารมณ์ที่ยิ้มเยาะเ ย, อะอย้ยหันอย่างไม่ใยดีต่อพระองค์เน้นความรู้สึกได้เด่นชัดมาก วิมือของเสด็จในกรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้ำมันเป็นรูปหลวงปู่สุกยืนเต็มตัวและถือไม้เท้าภาพนี้เขียนขึ้นในขณะที่หลวงปู่มีอายุมากแล้วจึงต้องเดินสามขาศิลปวัตถุในพุทธศาสนาที่วัดปากคลองมะขามเท่านอกจากพระอุโบสถแล้วยังมีมณฑปจตุรมุขประตูทั้งสี่บานนั้นแกะด้วยไม้สักแกะลวดลายลึกถึงสามชั้น เคยมีคนสมคบกันเอาบานประตูมนดบเจตุรมุขออกขายเอาลงมากรุงเทพเตรียมใส่เรือกระแชงในคลองมหานาคเพื่อออกต่างประเทศด้วยดวงวิญญาณในหลวงปูุ่ขท่านผูกพันอยู่กับศาสนวัตถุที่ท่านสร้างเอาไว้ในพระพุทธศาสนาท่านจึงเข้าประทับทรงจากขิ่งบูชาจังหวัดนครสวรรค์รับเอาท่านแม่ทัพที่นครสวรรค์ชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มารับเอาท่านในอำเภอประจำยังบาดชัยนาทในขณะนั้น คือท่านสุธีโอบอ้อมแล้วก็นั่งรถเข้ากรุงเทพร่างทรงหลวงปู่ได้พาคณะรถเลี้ยวเข้าตรอกเข้าซอยมาจนถึงเรือกระแชงที่บรรทุกบานประตูมณฑบเตรียอมอขนออกนอกได้อย่างทันท่วงทียึดเอาบานประตูทั้งสี่บานนั้นคืนกลับไปขณะนั้นยังคงรักษาเก็บไว้ที่วัดป่าพานิชวนารามอำเภอวะสิง์จังหวัดชัยนาทแล้วก็ยังไม่ได้ส่งคืนวัดป่ากรองมาขามเท่าเพราะเหตุอะไรนั้นชาวจังหวัดชัยนาทเขาทราบกันดี ปัจจุบันชาวชายนาทผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ร่วมกันสร้างรูปหุ่นขี้พึ่งไว้ที่ปากคลองมะขามเท่าเพื่อจะได้ทำการสักการะบูชาโดยทั่วหน้ากรมทหารเรือเห็นความสำคัญจึงได้ทำการบูรณะซ่อมแซมบนดบเมื่อปีพศ2545ทำให้ประชาชนทั้งใกล้และไกลจากต่างจังหวัดหลั่งไหลามาสักการะบูชาทุกวันไม่ได้ขาด วัดปากคลองมะขามเท่าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทต่อไปเรื่องทรงเจ้าเข้าผีนี่จะไม่เชื่อก็ไม่ได้แต่ที่ทรงจริงๆนะี่มันมีน้อยอย่างในกรณีดวงวิญญาณหลวงปู่ศุขประทับทรงแล้วซอกแทรกลงมาจากนครสวรรค์ถึงกรุงเทพเกือบสามร้อยกิโลเมตรแล้วก็ยังพาคณะเข้าตอกเข้าซอยไปจนกระทั่งถึงเรือกระเช้าที่ จอดลอยลำอยู่ในคลองมหานาคนั้นมันเป็นการเดินทางที่สลับซับซ้อนและวกวอนน่าดูแต่ร่างทรงก็พาคณะไปจนพบแล้วก็ยึดบานประตูกลับคืนมาได้นั้นมันเป็นเหตุการณ์อันมหัศจรรย์อย่างยิ่งและบานประตูมนดบทั้ง4บานดังกล่าวแล้วนั้นทั้งเสด็จในกรมและหลวงปู่ศุขได้ช่วยกันสร้างเป็นชิ้นสุดท้ายระบุปีว่าพศ2465อยู่ที่ซุ้มหน้ามนดบอีกด้วย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นอกจากจะถูกอัธยาศัยกันเป็นอย่างยิ่งก็จะเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอแล้วถ้าเสด็จในกรมติดราชการงานเมืองหลวงปู่ก็จะลงมาหาโดยเสด็จในกรมได้สร้างกุฏิอาจารย์ไว้ที่กลางสะท่วัดที่วางนังเลองซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัววิกตอเรียมีใบกรมขนาดใหญ่ใหญ่โตขนาดถาดแล้วก็รู้สึกว่ากลางใบจะมีหนามคมด้วย อันนี้ได้รับคําบอกเล่าจากลุงผลท่าแร่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ติดสอยห้อยตามหลวงปู่มาตั้งแต่เล็กเขาเป็นชาวอุตรดิตหรือว่าพิษณุโลกนี่แหละจําได้ไม่ถนัดนะักหลวงปู่สุกท่านขอพ่อแม่มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อสิ้นบุญหลวงปู่ท่านก็เลยลงหลักปักฐานได้ภริยาอยู่ตําบลท่าแร่อราําเภอวัดสิงชัยนาทก็เลยเรียกกันติดปากว่าลุงผลท่าแร่ แต่อย่างไรก็ตามภายในกำหนดหนึ่งปีหลวงปู่สุขท่านจะต้องลงมากรุงเทพหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเสด็จในกรมท่านจะทำพิธีไหว้ครูประมาณเดือนเมษายนงานจะจัดเป็นสมวันวันแรกไหว้ครูกระบีกระบองวันที่สองไหว้ครูหมอยาแผนโบราณวันที่สามจะไหว้ครูทางวิทยายุทธพุทธาคมและไสยศาสตร์จัดเป็นงานใหญ่มีมหโหสพสมโพทธทุกคืน จะมีการแจกพระเครื่องรางของขลังจากหลวงปู่สุขอีกด้วยแต่ในระยะหลังๆ ห, หลวงปู่ท่านมีอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นักท่านก็เลยไม่ค่อยจะได้ลงมาจากการที่ได้เคยศึกษาตําราอัคาราเลขยันจากอาจา ร, รย์มหาโพวัดคลองมอญอํเาเภอวัดสิง์ชัยนานผู้สืบสายมาอย่างใบดีกาอย่างวัดหนองน้อยอำเภอวัดสิง์ชัยนาน ซึ่งเป็นฐานนาในหลวงปู่ศุขและก็เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ศุกรูปหนึ่งตำราอัขระเลขยนันซึ่งคุณหมอสำนวนบาลวัดวิชัยแห่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านได้ใช้เวลาค้นคว้าและรวบรวมพระเครื่องหลวงปู่ศุขตลอดจนประวัติและเรื่องราวของท่านตลอดมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีได้นําออกมาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือรวมเล่มขนาดหนานั้น ได้ตีพิมพ์ตำราอักขระเลขยันของหลวงปู่สุขที่สอนให้กับลูกศิษย์ของท่านลงไปด้วยและบางตอนบางหน้ายังเป็นลายมือหลวงปู่อีกด้วยนับว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาสําหรับผู้ที่สนใจจริงๆแต่ถ้าว่าในตำราอักขระเลขยันของท่านนั้นเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานทั่วๆไปซึ่งมีอยู่ในตำรามหาพุทธาคมที่เราได้ร่ำเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างเช่นการเรียนสูตรจากคำภีรัตนมาลาในพระอิติปิโส ห้าบหพระคาถาห้องพระพุทธคุณลงเป็นยันเกราะเพชรหรือว่าตาข่ายเพชรยันพระไตรสรณนาคมตลอดจนคำภีร้อยแปดณร้อยแปดณพินทุหรือณปฐมกันหรือว่านณโมพุทธายะใหญ่และยันประจําตัวของท่านที่ใช้อยู่เป็นประจําที่ท่านใช้จานลงที่หลังพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านนอกจากนั้นยังลงด้วยยันสาม ลงมะอุที่ขมวดยันลงหลังรูปถ่ายของท่านเรียกว่ายันเพชรฉลีกน้อยนอกจากนั้นท่านจะนิยมหนุนหรือว่าล้อมได้ท่าทั้งสี่คือณมะพะทะอันหนึ่งการที่ท่านทำพระเครื่องรางของขลังได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีฤทธิ์มีเดช ท, ทั้งๆ ท, ท, ที่ใช้อักษรเลขยันพื้นๆ น, น, นั้น เป็นเพราะอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้าแกร่งยิ่งนักโดยเฉพาะกระสินาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิทางใจเลยทีเดียวสำหรับการสำเร็จวิชาชั้นสูงเรียกว่ามายาการคือความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรือว่าอานาจเหนือธรรมชาติเช่นของขลังพิธีกรรมบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ เช่นท่านเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแทนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการผู่ขุ่นพยนต์ด้วยฟางข้าวเสกคนให้เป็นจระเข้เป็นต้นมันเป็นมายาการชั้นสูงคือการบังคับไปเป็นไปตามที่ตนต้องการแต่ที่แท้จริงแล้วใบมะขามก็ยังคงเป็นใบมะขามหัวปลีก็คงเป็นหัวปลีและหุ่นฟางก็คงเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่ด้วยอํานาจจิตของท่านทําให้เราเห็นไปเอง จากหนังสือพระกทินพระราชทานสมาคมสิทธิอนุคารามปีพุทธศักราช2519เรื่องพระใบมะขามท่านผู้เขียนอดีตเป็นพระมหามีหน้าที่ไปอุปถากหลวงปู่สุขขณะที่อารัธนาท่านมาปลุกเสกพระชัยวัดและพระปลกใบมะขามปี2459ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าไปอุปถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้าง ลงตะกรุจพิสมอนบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองนาคให้ลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้ลงว่าอะไรหลวงพ่อบอกว่าณนะชาลิติบางคนขอเมตตาข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่าอะไรหลวงพ่อก็พูดบอกว่าเอาเมตตาเท่านั้นหรือ เมตย้ายไม่เอาหรือหลวงพ่อท่านพูดติดตลกคนขอก็บอกว่าขอเมตตาอย่างเดียวเมตย้ายไม่เอานะข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่าอะไรท่านก็บอกว่าณเนะมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูข้าพเจ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่มีความขลังลงไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อก็บอกว่า มันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะว่าระหว่างนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อมท่านเสกเป่าไปที่ศีรษะตั้งหลายครั้งเมื่อท่านเป่าที่กระหม่อมทีไรข้าพเจ้าขนลุกขนชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าฝืนใจไม่ให้ขนลุกก็ลุกสู้ทุกครั้งที่ท่านเป่าข้อนี้เป็นมหัศจรรย์จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวไปสอบถามภิกษุอุปถากรูปอื่นๆ ก็ได้รับคําตอบเช่นเดียวกันข้อ น, นี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสําเร็จสมถภาวนาแน่ๆอันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสํารวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใคร่พูจานั่งสงบอา ร, รมณ์เฉยๆไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่น เ, เขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นต่อเสกพระ้าชน้าเป็นกระต่ายได้แล้วก็แสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนยอมเป็นสิทธ หลวงพ่อก็ตอบว่าหลวงโลกเสร็จแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีกหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กรมหลวงชุมพรไปต่างประเทศตอนนั้นเข้าใจว่าตอนไปรับเรือพระร่วงถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่านแล้วก็ปฏนิบัติท่านจนท่านกลับวัดแล้วว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ยตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตร้ายก็ไม่ทาอันตรายได้หลวงพ่ออยู่ที่กุฏิสมเด็จพระพุฒาจารย์นวม เป็นเวลา10วันเศษได้ทราบว่าสมเด็จเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่ออีกด้วยหลวงปู่สุกเกสโรท่านมรณาภาพเมื่อเดือนหนึ่งปีกุนพุทธศักราช2466ไม่ปรากฏวันที่ที่แน่นอนคำนวณอายุได้76ปีวันสวดพระพุทธมนต์ทำศพอยู่7วันเจคืนจึงประชุมเพลิงท่านผู้ฟังครับการที่เราคนรุ่นหลังจะเขียนเรื่องราวลนวัดปฏิบัติของหลวงปู่สุ ซึ่งท่านมรณาภาพล่วงไปแล้วกว่าครึ่งศตรวรรษให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากอาศัยหลักฐานทางเอกสารที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างจากการไต่ถามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านซึ่งส่วนมากจากล้มหายตายจากไปกันเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่ได้รับรู้จากการเขียนของท่านมหาซึ่งเคยอุปถัมหลวงปู่ดังกล่าวแล้วคงจะทาให้ท่านมองเห็น ภาพของหลวงปู่สุขได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดครับ